คุณพ่อคุณแม่อดีตมีอาชีพค้าขายเปิดร้านขายยาตอนลูกเด็กๆจะเห็นประจำว่าท่านทั้งสองชอบตั้งวงเล่นไพ่กับเพื่อนฝูงที่บ้านเป็นประจำ โดยพาะคุณพ่อนะ่ชอบเล่นมากท่างคุณพ่อคุณแม่มีชีวิตที่เรียบง่ายทัว่วไปบุญก็ไม่ได้ทำมากตอนนี้ท่านั้งสองป่วยหนักเป็นเบาหวานทั้งคู่นอกจากนี้เนะี่ยคุณพ่อก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ไม่มีแรงเดินไม่ค่อยจะได้ตอลูกมาทำบุญที่วัดใหม่ คุณพอ่อพอทราบก็ไม่เห็นด้วยแต่มันในระยะหลังป่วยมากเวลาลูกอาบุญไปฝากก็ยกมืออนโมธนาบุญด้วยส่วนคุณแม่นะเป็นโรคไตาวายต้องล้างไตาอาทิตย์ละสามครั้งเวลาไปล้างไตลูกจะคุยเรื่องบุญให้ฟังคุณแม่ก็คล้อยตามแล้วก็รวมบุญด้วยเล็กๆน้อยๆล่าสุด ลูกดิพาคุณแม่มาถวายปัจจัยกับครูไม่ใหญ่ด้วยค่ะคพี่สาวคนที่สองในะปัจจุบันมีที่รับรชาชการเป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหง่ายทั้งพี่สาวและทิศสามีวิสาวเป็นคนตระนีนให้ของไม่ดีเป็นทางแก่ผู้อื่นไม่กล้าข่าวสังคมกลัวต้องเสียทรัพย์จะอยู่่ในครอบครัว มีงานอะไรก็สังสรรค์กันในบ้านไม่กล้ารับของใค ร, รกลัวจะต้องให้เขาคืนเมื่อเด่นกุมภาพันธ์สอหสหพี่สามีอาการคล้ลายๆผีเข้าบางคนก็เรียกว่าเพี้ยนหรือบ้าบพี่สาบอกว่าเขาเป็นร่างทรงมีพระศรีสุรโิโยทัยพระบรมดิลก เทวด า, ต, าต่างๆเจ้าที่เจ้าทางมาเข้าสิงพูดจาเพ้อเจ้อมีการกระทา แ, แปลกตาขวางหน้าตาหมองบางทีก็ตาลอยบางทีก็นั่งกลมหน้าเหมือนคนหมดแรงจะล้มฟุบต่งคอยจับไว้บางทีก็หัวเราะบางทีก็ร้องไห้ ใ, ใครเคยเป็นมัง้ง หลูกไปปรึกษากับสามีของพี่สาวแล้วพี he ่น้องพี่พี่น้องๆให้นิมนต์พระมาทําบุญบ้านก็นิมนต์พระไปเก้ารูปพี่สาวก็ดูดีขึ้นแต่ตอนนี้อาการก็ยังขึ้นขึ้นลงลงหลังที่สุดก็เลยไปพบจิตแพทย์วันหนึ่งอยู่ๆพี่สาวก็กระโดดเหยียบเท้าคุณแม่แตกเลือดไหลเอ แล้วก็บอกว่าชาติแล้วก็เหยียบกันมาชาตินี้ก็เหยียบกันไปคุณแม่ก็โหสิกรรมให้บอกว่าเขาทำไปเพราะไม่ได้สติแต่ลูกคิดว่าบาปมากแต่ความจริงมันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้คุณอาผู้ชายเป็นน <Christ>. ้องคุณสุดท้องของพ่อเป็นคนเฮฮาร่าเริงใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้อื่น สูบบุรี่มันตั้งแต่เด็กถึงปัจจุบันชอบเล่นไพ่เป็นชีวิตจิตใจและชอบนอกใจภรรยาด้วย<อ>ก่อนเสียชีวิตป่วยเป็นโรคหัวใจ<อ>ต้องหายใจผ่านสายยางอเอาท่อใหญ่ๆเสียบปากกินไม่ได้พูดไม่ได้<อ>ขับถ่ายผ่านทางสายยาง<อ>แขนทั้งสองข้างเสียบเข็มเครื่องมือแพทย์ระยงองระยาง<อ>แล้วก็ คุณอาก็ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินสะเก็ดทองตลอดลาตัวหัวหูเป็นแผลผิวหนังลอกถลอกแห้งเป็นขุยเป็นสะเก็ดหน้ารังเกียจละคันตลอดเวลาเกาจนเลือดออก ค, คุณอาเข้าออกโรงพยาบาลอาการอยู่ในขั้นโคม่าเช่นนี้หลายครั้งนรกสวรรค์นั้นไม่เคยเชื่อเลยจนใกล้ตายหลายครั้งจึงเชื่อเรื่องบาบุญบที่ลูกพญามบอก แล้วเขาก็เคยเห็นโมงพยบาล น, นำคนไปตัดคอครั้งหนึ่งแล้วด้วย<อ>แต่เขานั่งรอคิวอยู่<อ>แล้วก็ฟื้นลอดมาได้คุณอานะคุณอาบอกว่าท่านเคยเห็นโ<อ>รงปยะบาล น, นำคนไปตัดค อ, อแล้วเขาก็นั่งรอคิวอยู่<อ>แล้วก็ฟื้นลอดมาได้<อ>ลูกก็เลยเอาผ้าตรายไปให้อธิษฐานจิตเป็นประธานกองกระินแต่ทาไม่ครบกอง ใส่ซองรว บ, บุญมาให้ลูกแค่หนึ่งบาทแค่พันบาทแต่เขาสร้างห้องน้ําและซื้ออุปกรณ์แพทย์บริบรจากโกรงพยาบาลและช่วยเหลือคนในสังคมคือชอบทําบุญแบบสงเคราะห์โลกเสียชีวิตเมื่อสองเมษายนสี่หกคุณพ่อป่วยด้วยโรคเบาหวานและเส้นเลือดในสมองตีบคุณแม่ก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคไตาวายต้องล้างไตบ่อยๆทํากรรมอะไรคะจะต่อไปคุณพ่อแม่จะหมดกรรมหรือ ย, ยังคะ พี่สาวทำกรรมอะไรจึงมีอาการเช่นนี้คือเหมือนผีเข้าอ่ะจะรักษาหายได้หรือไม่และการที่พี่สาวก็ดอดเหยียบเท้าคุณแม่แล้วคุณแม่อโหสิกรรมให้พี่สาวจะบาปไหมคะค บ, บาปกรรมอะไรทําให้ก่อนตายคุณอาเบโรหัวใจต้องโดนเจาะโดนเสียบทรมานมีสายระโยงะระย่างรอบตัวและเป็นโรคสะเก็ดเงินสะเก็ดทอง การที่คุณอาเคยเห็นโยมาบาทและฟื้นขึ้นมาได้จริงแท้อย่างไรคะครตอนนี้คุณอาอยู่ที่ไหนลำบากหรือสบายอย่างไรบุญที่ลูกทิพไปให้ได้รับหรือเปล่าทำอย่างไรจึงจะช่วยคุณอาได้บ้านเมื่อหกปีที่แล้วลูกเป็นต้อหินคือจะของเคสตัดดี้นะจ๊ะต้องผ่าตัดตาทั้งสองข้างแล้วองไปเ พ, พราะแพ์ทุกสามเดือนตลอดชีวิตถัดมาอีกสี่ปีลูกก็เป็นโรคมือจีบ คือมีอาการกระเรงมือกระเรงเท้าศีรษะแขนขากระดิกตัวไม่ได้คือนิ้วมันจีบมันนะลูกทำกรรมอะไรมาแล้วพอจะมีทางหายบ้างไหมคะนี่ก็เป็นคำถามอัลละโมฟังกันเลยฝันในฝันหลับแล้วฝันไปเป็นตุเป็นตะ คุณอาเป็นโรคหัวใจและสะเก็ดเงินสะเก็ดทองเพราะคุณอามีกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันผสมกันกรรมในอดีตเคยเกิดในครอบครัวขุนนางตัวเองก็เป็นข้าราชการคือเป็นขุนนางนั่นแหละได้ทำกรรมไว้สองอย่างคือ ทำใส่ร้ายป้ายสีเพื่อลงงานด้วยกันที่เป็นคู่แข่งเพื่อดิสเครดิตเช่นกล่าวหาว่าประพฤติไม่ชอบคดโกงคอร์รัปชันขูดรีบประชาชนเป็นต้นและพูดจาเสียดสีให้เขาเจ็บแสบกระดองใจกับการปัจจุบันที่ผิดศีลข้อที่สาม นอกใจภรรยา oh. และผิดศีลอีกหลายข้อมากบางน้อยบาง <Okay. S 1> ก่อนตายท่านฝันไปเห็นตนเองเนะี่ยนั่งรอคิวยมบาล <Okay. S 1> แต่เห็นสัตว์ลกถูกตัดคอภาพนี้ก็คือคตินิมิต oh. ของตัวเอง <Okay. S 1> ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตัวเองเนี่ยใกล้จะตายแล้ว <Okay. S 1> จะอยู่ต่อไปได้อีกไม่นาน เป็นกตินิมิต ค, คล้ายๆฝันอย่างนั้นไปเห็นเป็นภาพฉายขึ้นมาต่อมาหลังจากตายแล้วเจาทีกรรมรับตัวไปยมโลกแล้วก็ได้ถูกพยายมราชพิจารณาบุญบาปแล้วก็พบว่าบาปมากกว่าบุญบมีทั้งบาป ท, ที่เป็นอาจินกรรมคือการพนันเล่นไพ่ จึงถูกพิพากษาให้ได้รับโทษในยมโลกคือถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาไพ่เหล็กร้อนกรีดทั่วร่างที่ถูกจับขึงพืชนอนหงายกับพื้นที่ร้อนถูกกรีดไปมาตลอดเวลาทุกทรมานมากแตไม่ไพ่กรีดไปกรีดมาตอนนี้โดนอย่างนี้ไปก่อน แล้วค่อยไปรับกรรมอย่างอื่นอีกหลายอย่างเพราะผิดศีลเกือบทุกข้อมากบางน้อยบ้างที่ไม่ไปมหานรกเพราะตอนก่อนตายก็ได้ทำบุญไวบ้บ้างและเริ่มจะเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปจากการแนะนำของหลานสาวได้รบับบุญจากผู้ที่ไปให้บ้างแต่ก็ยังไม่มากส่วนตัวลูกเองคือเจ้าของเคสา์ดีกรรมในอดีตนั้น เคยเกิดในครอบครัวเกษตรกรเกษตรกรรมสามีในชาตินั้นเลี้ยงสัตว์เอาไปขายให้เขาค่าหายถึงสามีในชาตินั้นนะเลี้ยงสัตว์เอาไปขายให้เขาค่าตัวเองเป็นภรรายาก็มีนาทีมัดสัตว์ที่จะไปขายเช่นเป็ดไก่หมูก็มัดขาไม่ให้มันดิน้น หรือเวลาสัตว์ดิ้นจะวิ่งหนีก็เอาฝุ่นไปโปรยสัดใส่ลูกในตาของสัตว์เหล่านั้นทำให้มันมองไม่เห็นจึงหนีไปไหนไม่ได้เพื่อจะได้จับและมัดได้ง่ายๆจึงทำให้มาเป็นต้อหินและมือจีบแขนขาไม่ค่อยจะมีแรงมัดสัตว์ก็ทำให้เป็นมือจีบแขนขาไม่มีแรง สัตว์ฝุ่นใส่ลูกติ้วก็เป็นต่อหินกรรมนี้เป็นมาหลายชาติแล้วจนวิบากกรรมเริ่มจะอ่อนแรงแล้วล่ะชาตินี้ถึงจะเป็นอยู่แค่นี้ให้ทําบุญทุกๆบุญมากๆแล้วก็ได้เฉพาะบุญพิเศษคือปล่อยสัตว์และอุทิศสุขส่วนไปให้สัตว์เหล่านั้นก็จะเบาบรรเทาเบาบางลงไปได้บ้างบรรเทานะครับ ก็ต้องอดทนใช้กันไปละชาตินี้ลูกเอ้ยนะส่วนพี่สาวนั้นนะ่ะที่มีอาการเหมือนมีองค์อึงอะไรมาลงอนค่องนั้นอง์นี้อง์นูนะ่นะเธอเป็นโรคจิตประสาท<อ>เพราะกรรมสุราและผิดศีลข้อสองกับข้อสนะี่คือผิดกศีลก็สองสนะี่ห้าน่ะ คือในอดีตาติเคยเป็นร่างทรงมาก่อน oh. แต่เข้าทรงแบบหลอกๆ <Okay. S 1> ไม่ได้เขาจริงอะ่ะ <Okay. S 1> คือพอถึงอยากจะหลอกเงินตะทองให้ไง <Okay. S 1> เพราะเห็นว่าเออในเขาเชื่อเรื่องทรงๆเนี่ย <Okay. S 1> ก็ทำเป็นสันโบับบ <Okay. S 1> สันแล้วก็ทาท่าทาทาง <Okay. S 1> แล้วก็มีหน้ามาถามอะ่ะ ประกาศน้ําใครมาอะไรเงี้ยนี่เขบอกไปเลยเป็นองค์นั่นองค์นี่มาแล้วพยายามให้เสียงมันสั่นๆหน่อยจะได้เสียงไม่เหมือนตัวเองไงฟังดูมันจะได้แนบเนียนหน่อยเ ป, นนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรเงี้ยสัน่นเพื่อจะได้เงินทอง จากผู้เชื่อถือกับกรรมสุราของตนได้ใช้กรรมนี้มาหลายชาติแล้วแต่กรรมยังหนาแ น, น่นอยู่จ้ะจะเป็นเปไหนหายขึ้นๆหลงๆตลอดนะ้องเอาบุญช่วยกันอย่างเดียวคือแต่ช่วงที่พอมีสติดีอยู่บ้างก็ต้องชวนทําบุญทุกบุญบแล้วที่บุญไปให้ผู้ที่ตัวเองเคยไปหลอกลวงเข้ามานะไปหลอกลวง ที่เหยียบเท้าแม่นี่แม่แม่อโหสีกรรมให้แลว้วก็ตามก็ยังมีบาป ก, กรรมติดตามไปบ้างแต่กรรมคงไม่หนักหนาเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาน่มันขาสติก็หมายความว่าใช้กรรมอื่นเกลี่ยงแล้วถึงจะสุดท้ายก็จ ะ, จะเจออันนี้ที่พ่อกับแม่เป็นเบาหวานก็เพราะเพราะกรรมแนอดี สังขรข่านเคยเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เป็นพ่อค้าคนกลา ง, ลงคือคุณพ่อแม่เป็นสามีภรรยากันชาแนลดีลเป็นพ่อค้าคนกลางเวลารับซื้อสินค้าก็กดราคาเขาเกินไปเพื่อจะได้นําสินค้ามาขายเอากําไรได้มากมาหลอกจากนั้นในอดีตพ่อยังเคยจ้างนักเลงไปดักซ้อมคู่อริที่พูดจาผิดหู แต่ก็ไปถึงตายามันหลายกรรมเห็นไหมส่วนแม่ที่ต้องล้างไตเพราะมีกรรมในอดีตคือรับจำนองจำนำแล้วก็ปล่อยเงินกู้ดอกโหดโ<อ>จนลูกนี่ไม่อาจจะใช้เงินคืนได้คือยึดที่นาไล่บ้านก็เป็นต้น น, นี่มันก็เลยมีวิบากกรรมติดกันมานี่ก็เป็นเรื่องราวของเค่สตีสั้นๆ ส, ส, สำหรับ เือนนี้ลเลยจ้ะ